การถูหลังให้ในคราวอาบน้ำจริงหรือพวกภิกษุกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตาหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นไม่สมควรและภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกภิกษุผู้ควรแก่อัพาน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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรแก่อัพพานไม่พึงยินดีการที่ปกตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับและการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำรูปใดยินดีต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้ลุกรับและ การถูหลังให้ในคราวอาบน้ำของภิกษุผู้ควรแก่อับพานด้วยกันตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกิจห้าอย่างคืออุโบสถปวารณาผ้าอาบน้าฝนการสลักพัดพัดเพื่อภิกษุผู้ควรแก่อับพานด้วยกันตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายห้าอย่างนั้น เราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้ควรแก่อัภานโดยวิธีที่ภิกษุผู้ควรแก่อัพานทั้งหลายต้องประพฤติ